ตัวเนี่ยนะจะพาไปสู่ที่ที่หลุดพน้นในที่พ้นทุกข์ได้อย่างไรเราสังเกตเห็นไหมว่าเวลามันมีอยู่สามขั้นตอนนะเหตุปัจจัยประกอบแล้วก็ผลเนี่ยสามตัวเนี้่ยเหตุนะปัจจัยประกอบแล้วก็ผลมันสิ่งที่ต้องทำบ้านที่สุดคืออะไรระหว่างเหตุปัจจัยประกอบแล้วก็ผล สมมติว่าสมมติดูงง่ายๆว่ะชีวิตเราเกิดขึ้นมาเนี่ยคือเหตุเหตุคือการเกิดขึ้นมาของเราเอายงี้แล้วกันตัดต่อนตรงนี้ไม่ง่ายเหตุคือการเกิดขึ้นมาของเราคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งที่เกิดขึ้นมานี่คือเหตุแหละให้เหตุจากพ่อจากแม่แล้วก็มาเป็นเราเนี่ยนี่คือเหตุที่ปัจจัยประกอบในการที่มีชีวิตอยู่จนวันตายเนี่ยสังเกตดูไหมผลของมันน่ยคืออะไรคนคนหนึ่งที่เกิดมา ผลสุดท้ายของคนคนนี้คืออะไรตายศูนย์สลายใช่ไหมนี่คือคือผลมันนะผลของเราอ่ะสุดท้ายผลของเราคือแก่เจ็บแล้วก็ตายนี่คือผลของมาในรูปแบบไหนก็ตามแต่เหตที่เกิดมาแล้วเนี่ยมันเป็นแคกช่วงแวบเดียวเราไม่ไดเอาไปเห็นปจัจจัยลึกเนี่ยแต่ ป, จปัจจัยในการในกรอบเจ็บไหมว่ามันยุ่งยากขนาดไหนแต่ละวันเนี่ย พอเราจะได้กินข้าวแต่ลมื้อเนี่ยมันยุ่งยากขนาดไหนความอาหารแต่ละอย่างที่จะมาประทังชีวิตได้เนี่ยมันยุ่งยากขนาดไหนบางครั้ง่าเราจะมีความรู้ทางโลกเนี่ยมายุ่งยากขนาดไหนในการที่จะไปสร้างปัจจัยประกอบเช่นไปเรียนมีความรู้เพื่อปหาอาหารการกินหาหาปัจจัยสี่ปัจจัยสี่เนี่ยในการเลี้ยงชีวิตตรงนี้ย <c oughs> ไม่ได้ใช้ระยวเวลายาวนานขนาดไหนแล้วก็มากมายขนาดไหนตัวอย่างนี้ฉันใจก็เหมือนกันตัวภาวนาก็เหมือนกันไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันจะไปเลยนะตัวภาวนาเนี่ยก็เหตุของมันคือตัวเหตุของมันคือตัวรู้สึกอย่างนี้นแต่ปัจจัยปกาประกรระอบในการจะพัฒนาตัวรู้สึกให้มันก้าวข้ามสูงอารมณ์ค้นไปสู่ความรู้ค้นหรือสู่การค้นทุกข์ได้นี่มันต้องมีอีกเยอะ ไม่ใช่ว่าอันเดียวต้องใช้ความประกอบเรื่องราวก็มันกว่ามันจะเป็นได้แต่ถ้าประกอบผิดมันก็เป็นเหตุที่ผิดไปผลก็ผิดเพราะเหตุกับผลไม่ตรงกันไม่ตรงกันฉะนั้นในในเยืนเนี้ยอยากจะพูดถึงว่าปัจจัยประกอบของมันเนี้ยที่เราจะต้องทําเราจะต้องพัฒนาเนี้ยพัฒนาให้มันมันไป เบื้องต้นจริงๆต้องต้องให้รู้จักก่อนว่าหลักที่เราทําคืออะไรหลักที่เราจะต้องหลักที่เราจะต้องภาวนาหลักจะต้องพาฒนานี่คืออะไรไม่ไงั้นเราจะจะผิดไปมันจะจะไม่ตรงเป้าตรงตุงประสงค์ตรงตุประสงค์ไางทีไปพัฒนา จริงๆพลองฝึกมีอยู่3ปัจจัยประกอบมีอยู่สามมีอยู่สาส่วนนะอย่างเียคือฝึกตัวรู้สึกตัวขึ้นมานสองฝึกแล้วต้องฝึกออกฝึกฝืนแล้วก็ฝึกวา น, นาเนี่ยกวยการในการฝึกฝึกรู้ขึ้นมาแล้วก็ฝึกออกแล้วก็ฝึกฝืนแล้วก็ฝึกวานตัววานเนี่ย ไม่จะส่งสู่ตัวผลผลจะทำให้ภาวะ้องตัวรู้สึกตัวเราเนี่ยมันพัฒนาให้จิตเดิมเก่าก้าคนได้ใช่ในเบื้องต้นเนี่ยต้องรู้จักรู้จักให้ดีก่อนย้่ำให้ชัดเจนก่อนบางคนนี่งงเวลาทําไปทํามาแล้วงงนะบางทีย่ำย่ำตัวรู้สึกตัวเนี่ยบางทีเป็นบางคนงงทําไปแล้วก็ไม่เข้าใจ บาที่เราได้ฟังประสบการณ์จากครูบาอาจารย์จากนิสถายาโยมทั้งหลายที่ได้ได้ปฏิบัติธรรมนี่ที่จะมาเล่าเรื่องราวของเขาเองส่วนให ญ, ญ่ทีเ่เขาเล่าเขาเล่าเรื่องสภาวะที่เขาได้ผ่านผ่านมาให้เราฟังแต่พอเราปฏิบัติธรรมก็ไปมาปฏิบัติไปปฏิบัติมาเราก็จะเป็นเผลอเฉวยเอาว่าทําไมเราไม่เป็นอย่างที่เขาเป็น ภาวนาแล้วไม่เห็นมันแจ้งอย่างที่เขาแจ้งไม่เห็เาเป็นเนี่ยมันลเลาโง่ โ, โลภสบายอย่างที่เขาเป็นเลยบางทีนะปฏิบัติไปแล้วมีแต่โ ง, ง, ม, ง, งมีแต่สงสัยมีแต่ไม่มั่นใจเพราะเราตั้งจิตเราตั้งจิตไม่ผิดเราตั้งจิตที่จะฝึกให้เห็นไม่ได้ฝึกตัรู้แต่ฝึกจะเอาสภาวะไปเอาสภาวะโลกบ้างโตบ้างชัดบ้างสบายบ้าง สิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เราเราหลงประเด็นเราเดินแรกต้องรู้จักตัวรู้สึกให้ได้ก่อนภาวะของตัวรู้สึกตัวที่หลวงพ่อเทียนนะทูก่นให้สร้างจังหวะก็ดีเดินจบกลมก็ดีให้รู้สึกตัวนะถ้าไม่ได้บอกนะให้เอาที่สร้างจังหวะหรือเดินจบกลมเต็มบอกว่าให้รู้สึกตัวนะอ้างว่าก็ทัาง่ายๆเวลาทําไปแล้วไม่รู้น่ะรู้ไหม ถ้าไม่รู้เรารู้นั่นแหละใช้ได้ไม่รู้ก็ให้รู้เมื่อมันรู้แล้วก็ให้มันรู้แล้วก็ปล่อยไปนี่คือเบื้องเบื้องต้นของกันที่จะต้องเข้าใจให้ชัดว่าเพราะตางที่เราทําไปทามาเนะี่ยเราจะไประหว่างระหว่างตัวรู้สึกตัวกระตุกคิดเนี่ยเรารู้จักกันไหนมากเราคนทุกคนจะคุ้นชินกับระตุกคิดว่าก จะคุ้นชินกับตัวคิดมากเเพราะว่าตั้งแต่เราเกิดมาเราใช้แต่ตัวเกิดมาแรกๆอ่ะใช้ตัวรู้สึกใช้ตัวรู้สึกรับรู้เรื่องราวของโลกใบนี้รับรู้รับทราบเรื่องราวของโลกใบนี้เบื้องต้นที่เราเกิดมาใช้ตัวรู้สึกใช้ตัวรู้สึกตัวเนี่ยรรู้รับทราบเรื่องราวของโลกใบนี้มาตั้งแต่เกิดเลย เราจะสังเกตไหมเวลาเราจะรู้อะไรเนี่ยสมัยเด็กๆเราจะรู้อะไรพวกเนี่ยเราต้องใช้การพิสูจน์อย่างบางทีเราเห็น <ừ. S 1> <ừ. S 1> พ่อแม่เราจะบอกว่าไฟมันร้อนอย่าไปจับแต่เราเป็นเด็กเราจะไม่รู้เดินเข้าไปหาเลยเดินเข้าไปหาเลยพอมือไปจับป้าคอรู้แล้วกันร้อนมันจะใช้ก <ừ. S 1> <ừ. S 1> ารพิสูจน์ภาษาเด็กของเราเนี่ยจะใช้การพิสูจน์เข้าไปไปศึกษาไปทําความเข้าใจ กับทุกอย่างแต่เมื่อโตขึ้นมาปุา๊บอะเราจะเริ่มทิ้งทิงท้งภาวะที่เดิมที่เรามีอยู่แล้วเนะี่ยที่เป็นเป็นภาวะรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติเดิมแทนะ้เริ่มทิง้งเริ่มทิ้งแล้วก็เริ่มคุ้นชินมาอยู่กับความคิดพอคุ้นชินอยู่กับความคิดปุ๊บความคิดก็จะคุ้นชินในการปรุงแต่งอารมณ์ขึ้นมาในจังหวะนี้แหละพอปรุงแต่งอารมณ์ขึ้นมาปั๊บเนี่ย เราลืมภาวะของตัวรู้สึกตัวไปแล้วเอาภาวะของความคิดนําหน้าเอาภาวะของอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาที่มันเป็นอารมณ์โลภบางโกรธบ้างหลงบ้างอยากบ้างเผื่อบ้างเซ็งบ้างพาเราปึดอัดขัดเครื่องมันเป็นเพราะตั้นหาผู้ประทานบ้างทิฏฐิบ้างอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเป็นรูปแบบความคิดขึ้นมาพวกเราก็จะไปเชื่อมันเชื่อมมาเราก็จะจีงจิตทํา พฤติกรรมนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันเลยกลาย เ, เป็นนิสัยสังเกตดีๆนะพะใช้มาทําตรงนี้ปุ๊มันจะกลับไปนิสัยเดิมจะใช้การคิดเป็นตัวนําอเบื้องต้นเนี่ยต้องเข้าใจให้ได้ชักว่าตัวตัวว่างตั ว, ตวรู้สึกที่มันตื่นขึ้นมาเพื่อรับรู้รับทราบรับรู้จิตเดิมแท้มีหน้าที่รับรู้ รับรู้รับรู้เราทราบเรื่องราวเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นไปตามเรื่องรามันมีหน้าที่รับรู้เฉยๆที่เราเรียกว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวเนียจิตทำแค่นี้เองทางแค่เนี้ทําหน้าที่รับรู้อารมณ์ต้องแยกให้ชัดเบื้องต้นเนี่ยว่าอันไหนเป็นตัวตัวรูจ้จริงๆ อันไหนเป็นตัวรู้ที่ไม่จริงเต้องต้องต้องยาำตรงนี้ให้ชัดก่อนในเบื้องต้นแล้วเราจะค่อยเดินหน้าไปได้ถ้าเราตรงนี้เราไม่เคนะลียร์นะเวลาเราไปฟังใครฟังใครเราเราจะงงภาวะจิตเราจะเริ่มงงบางทีคนนู้นก็ไปเจออย่างนั้นคนนี้ไปเจออย่างนี้ก็เลยงงว่าตัวเองไม่มีหลักจับหลักไปได้ต้องเอาให้มันชัดก่อนว่าตรงนี้ นั้นภาวะรู้สึกตัวเนี่ยให้เห็นเนี่ยได้ว่าความคิดแนตะ่ไม่ใช่ความรู้สึกความคิดไม่ใช่ภาวะรู้สึกตัวให้เข้าใจเลยความคิดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ใช่ภาวะของตัวรู้สึกที่เราพออยากรับรู้อารมณ์เราจึงเวลามีชิดมาปุ๊บเรจะมีสิ่งหนึ่งที่ว่ามันรู้ความคิดไอ้ตัวที่มันรู้ว่ากําลังคิดหรือรู้ความคิดตัวนี้แหละเป็นภาวะของตัวรู้ที่เรามีอยู่จะไล่ไปอย่างหยาบๆก่อนในโซน ในส่วนที hmm. time, uh. ่เราไล่ไปก่อนนะส่วนส่วนร่างกายเนี่ยส่วนร่างกายตอนนี้ยตัวเคลื่อนไหวที่เราสนใจเราสร้างเคลื่อนไหวขึ้นมาเนี่ยตัวเคลื่อนไหวนี่ไม่ใช่ตัวรู้สึกนะตัวเคลื่อนไหวเนี่ยให้เข้าใจเลยตัวเคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวรู้สึกถ้าตัวเคลื่อนไหวเป็นตัวรู้สึกเนี่ยเราเคลื่อนไหวมาตั้งแต่เกิดครับทําไมไม่เห็นมีผลในการจัดทำร่าอารมณ์เราได้เลยนะตัวเคลื่อนไหวของมันทั้งหมดของชีวิตทั้งหมด ตัวอาการของตัวเคลื่อนไหวหรือตัวยืนเดินนั่งนอนทั้งหมดนี่นะให้รู้เลยอันนี้ไม่ใช่ตัวรู้สึกนะต้องให้มันชัดนะว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวรู้สึกยืนเดินนั่งนอนขู่เหยื่อเคลื่อนไหวเลี้ยวซ้ายและขวาก้งเลยเดินหน้าถอยหลังสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวรู้สึกแม้แต่บางทีมันเย็นมันร้อน มัวมันเมื่อยมันเจ็บมันหิวมันกระหายแล้วก็พิษตา ม, มซึมน้ำไหลอาการทั้งแด่หัวจาเท้าเท้าจากหัวที่เกิดกับร่างกายทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่ตัวรู้สึกนะต้องเรียนตรงนี้ชัดก่อนเนะแม้แต่หูได้ยินเสียงอยู่ตอนเนี้ยเสียงที่มันกระทบกับหมูนี่ก็ไม่ใช่ตัวรู้สึกนะ หือแม้แต่ตาที่เรากําลังเห็นภาพอยู่ตอนเนี้ตากับรูปก็ไม่ใช่ตัวรู้สึกจมูกกับกลิ่นก็ไม่ใช่ตัวรู้สึกลิ้นกับรสก็ไม่ใช่ตัวรู้สึกมันคือตัวอารมณ์ที่มันกำลัพบกับวกวาอายตนะเฉยๆตาหูจมูกลิ้นกายจะมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสภาวะเหล่านี้คือภาวะของอารมณ์ภายนอกเป็นภาวะของอารมณ์รุนรุ่นเกิอารมณ์ที่มันจะทํากันอยู่โดยธรรมาชาติ มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ต้องแยกมันให้ชัดก่อนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ส่วนรู้สึกเขาคืออารมณ์ภายนอกที่เขาเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติขังเขาเองส่วนอารมณ์ภายในยอีกอันนึงความคิดทุกชนิดความคิดทุกชนิดความคิดทุกอย่างจะเป็นคิดดีคิดชั่วกระดัหรือแม้แต่อารมณ์ทุกอย่างจะเป็นอารมณ์อะไรก็ตาม เป็นอารมณ์ฟุ้งซ่างหรืออารมณ์ของสงบหรืออารมณ์ของสมาธิหรืออารมณ์ อ, อ, ม อ, อ, อ, มอะไรก็ต่างปีติเป็นสุขเบาโป่งโล่งสบายชัดบ้างไม่ชัดบ้าง น, นี่คือเป็นความคิดที่แ ง, ง่งกความโกรธความโลภความหลงที่มันส่งผลอยู่อันนี้ก็ไม่ใช่ภาวะของตัวรู้สึกตัวจริงๆนี่คือเราเอาภายใน คือภาษาที่เราเรียกกันเลยให้เข้าใจว่านี่คือภาวะของภายนอกคือภาวะของรูปภายในอกระู้ภาวะของนามเนี่ยสองอันนี้ไม่ใช่ภาวะของตัวรู้สึจกจับประเด็ไม่เดี๋ยวเร า, เราจะไปทําเพราะบางคนไปทำถ้าเกิดภาวะโอดภายในดีๆเนี่ยเช่นมันเบามันสบายเรื่องเนะี่ยเริ่อทิ้งเรื่องทิ้งหลักของภาวะของตัวรู้สึกตัวเนะี่ยเข้าไป เดี๋ยวบางทีมันสงบก็ไปอยู่กับความสงบนะเดี๋ยวเราฟุ้งซ่านก็ไปอยู่กับความฟุ้งซ่านนะไม่อยู่กับภาวะของตัวตัวรู้สึกตัวที่มันทําหน้าที่มันทําหน้าที่เข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้างในภาวะของตัวรู้สึกตัวมันอยู่ข้างในแล้วมันติดกับตัวอารมณ์นเนี้ยให้เข้าใจชัดๆว่ามันจะชัดขึ้นไมชัดไปรู้พวกเราจะพร้อมก่อ มงใส่เร <be> ื่องมึงบ้านย่งเต็มอยู่ในหัวเลยนะมันนมาจากบ้านอย่างนี้เต้ม่ห่วงโน่โห่งนี่อยู่มื่อถึงก็เอาเรื่องนี้ยัดใส่ก็ไปเลยมัเข้าว่านไม่เข้าบ้านก็ไปรูปปรับจูนเอาให้ทันเนอจูนให้ทันเลยนะบางทีเรามาจากบ้านน่ยยังมีหลายเรื่องหลายราวที่ยังจิตยังจิตใจเรายังวิ่งไปอยู่กับอารมณ์พวกนั้นอยู่ออยู่บ้านกลับมาวันเนี้ยเขาเรื่องที่บ้านยังอยู่เต็มหมดเลย หลายเรื่องที่ยังคาอยู่ยังเป็นปีตพ่ออยู่ยังเป็นความกังวลอยู่ในใจที่พยายามเก็บโทรศัพท์เก็บอะไรเนีเพื่อให้มันเบาลงบ้างนะให้มันเบาลงบ้างจะได้สัมผัสกับตัวนี้จริงๆเพราะตัวนี้สิ่งตัวรู้สึกตัวที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ได้ไปไหนนะมันอยู่กับตัวเรานี่แหละแต่เราไม่ค่อยจะคุ้นเคยกับมันเฉยๆเราคุ้นเคยกับอารมณ์ทั้งสองฝักฝ่ายนะฝักฝ่ายภายนอก คุณเคยกับตาหูจมูกกินกายรู้เสียงกินนกสับผันแล้วเอาจิตเข้าไปเสพเข้าไปเสพเข้าไปอยู่ส่วนภายในก็ดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นมาก็เอาจิตจอเข้าไปเสพเข้าไปอยู่ส่วนจิตมันลืมตัวมันเองมันไม่มีสติไม่มีสติในการที่จะรู้จักว่าเรียกว่าเราไม่รู้จักรู้จักตัวเราอะไม่รู้จักใจเราอะใจเราคืออันนี้ใจเราคือ ภาวะของการที่รับรู้อารมณ์นี่คือใจเราจริงๆคือตัวนี้นอกนั้นไม่ใช่เลยแล้วเราเราจะภาวนาปุ๊บจี้ลงไปตรงสุดเนี้ยจี้ลงไปประเด็นเนี้ยเอมฉันทนะําหน้าที่ตรงนี้นะทํายังไงให้มันเกิดสตดิคือระลึกถึงภาวะนี้ได้บ่อยๆนี่คือประเด็นแรกให้ระลึกถึงตัวภาวะของตัวระลึกรู้เนี่ยตัวรับรู้อารมณ์เนี่ยตัวรับ ร, รู้อารมณ์นะ อย่างตอนนี้ถ้าเรามาสร้างสิจังหวะเนี่ยตัวส4จังหวะนี่เป็นตัวอารมณ์เป็นตัวรู้สึกอาจจะเป็นตัวอารมณ์นะสิจังหวะนี่จะเป็นตัวอารมณ์นะที่พอเรามารับรู้การเคลื่อนไหวแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะอันนี้นี่ตัวรู้สึกตัวรับรู้คือรู้สึกตัวจริงๆคือตัวนี้ที่จะมารับรู้ว่าอ๋อที่กายมันกำลังทำกายมันกาลังเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวนะกายมันเคลื่อนไหวเยอะ เรขยายไปอย่างเยอะแต่ตรงนี้เราจะอยาวก่อนที่เนี่ยเห็นอาการของกายที่มันกำลังเคลื่อนไหวอยู่ตัวที่เห็นว่าตัวที่รู้ว่ากายกาลังเคลื่อนไหวอยู่ตัวที่มันรู้เนี่ยรัารู้ว่าการของร่างกายที่กาลังเคลื่อนไหวอยู่ตรงเนี้ยตัวนี้คือตัวรู้สึกตัวจริงๆคือตัวนี้ไม่ใช่ตัวกายนะแต่ตัวรู้กายกาลังเคลื่อนไหวรู้กายกําลังเป็นอะไรอยู่ตอนเนี้ลองลองลองลึกลงไปดูสิ นั่งกายนั่งอยู่ในท่าไหนเนี่ยจะมีตัวรู้ให้เห็นชัดโอ้กายนั่งดีท่านี้นะท่องเที่ยวหรือก็สมาธิเมื่อนั่งแล้วมีอาการไหนเกิดขึ้นอีกที่เราเกิดขึ้นตอนเนี้ยเช็นไม่กำเริ่มเป็นเหน็บบ้ า, างหรือกําลังร้อนบ้ า, กางกําลังปุ่นบ้างหรือกำลังสัมผัสกับอาสนะที่มันมมม น, นิ่มๆว่าเนี่ยตรงเนี้ยทั้งหมดเลยอาการทั้งหมดที่กำลังปรากฏตับกายแต่เวลาเราถูกพัดลมเย็นรูปงู้ิ้งบาบ้าที่มันเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ อันนี้นี่คือตัวอาการของอารมณ์ของกายแต่ตัวที่รารู้เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยตัวนั้นก็คือตัวรู้สึกตัวจริงๆที่มันไม่ได้เขียวเลยนะไม่จะเจ็บมากเจ็บน้อยหรือจะร้อนมากร้อนนะ้อยนั่นเป็นเรื่องของร่างกายแต่ตัวใจเนี่ยทำหน้าที่รับรู้เพราะว่านี่คือร่างกายกําลังเกิดอาการกับร่างกายอย่างนี้มันจะเริ่มแยกออกมาได้ชัดว่าหนึ่งมีตัว ร่างกาย2มีตัวอาการเกิดกับร่างกายแล้วก็สามีตัวรับรู้รับรู้นี่อาการของร่างกายเหมือนมีเสียงมีหูแล้วก็มีตัวรับรู้มันอ๋อนี่ได้ยินเสียงหรือมีรูปแล้วก็มีตาแล้วก็มีตัวรับรู้มันอ๋อนี่กาลังกินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้จับให้ชัดเจนก่อนเมื่อต้นเนี่ยเอากายเป็นเรียกเอากายเป็นจอข้าวคนกายเหมือน ม่นจอภาพไิยนหรือม่นจอโทรศัพท์เนี่ยเอากายไปจอภาพมันมีอะไรเกิดขึ้นมาทั้งหมดเลยให้สังเกตเห็นนึกถึงโทรศัพท์ได้เนาะตัวโทรศัพท์เนี่ยมันเหมือนตัวกายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในโทรศัพท์ทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับอาการที่เกิดกับกายทั้งหมดแล้วจะมีคนคนหนึ่งที่ดูใช่ไหมจะมีคนคหนึ่งดูดูพฤติกรรมว่าเออเนี่ยมีภาพนั้นมาภาพนี้มาทั้งชั้นใดกันบ้าการทำก็ ลักเดียวกันนี่แหละจะเข้าใจว่าอ๋อนี่คือตัวรู้จริงๆคืออันนี้ตัวที่มันเห็นทั้งตัวกายที่เป็นจอภาพเห็นทั้งอาการที่เกิดกับร่างกายสังเกตเห็นในเวลาเราใช้โทรศัพท์สังเกตเห็นไหมมันจะมีสามส่วนหนึ่งมีตัวโทรศัพท์สองมีภาพที่เกิดขึ้นในโทรศัพท์สามีคนดูสังเกตไหมทีนี้ถ้าเราเราเราเราเราลองมาดูสิเนี่ยมันจะมีตัวกายเป็นจอภาพ แล้วก็ตัวอาการที่เกิดกับร่างกายเนี่ยเป็นเรื่องราวเขาเหมันเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยตรงนี้ย้ำไม่ชัดแล้วก็จะมีตัวรับรู้รับสร้างตัวรู้สึกตัวคือตรงนี้ที่มันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าจอภาพจะเป็นยังไงก็ไม่ได้เกี่ยวจอภาพเ็เรื่องจอภาพอาการที่เกิดกับร่างกายก็เหมือนกับสิ่งที่มันส่งเข้ามานั่นก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่มันคิดจะเข้ามาชัดถ้าเราไม่ชัดเจนบางบางคนไม่เข้าใจเ่ย ตัวรู้สึกตัวที่มันไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายเนี่ยไปแช่กับร่างกายไปอยู่ที่มือไปอยู่ที่เท้าไปเน้นอยู่ที่มือที่เท้าจนลืมภาวะของตัวตื่นรู้ที่มันได้เกี่ยวเลยที่มันไม่เกี่ยวข้องกับร่างกายเลยหรือบางคนก็ไปเจดในรูปแบบเท้าอยู่ในรูปแบบเนี่ยทําได้บอกรูปแบบทําไม่ได้เพรยกว่าเขาไปติดกับการกระทําเพราะตัวรู้สึกตัวจริงๆเนี่ยมันจะ มนจะซ้อนกันอยู่ถ้าเราไม่เข้าใจนะรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่มันมีอยู่แล้วเป็นส่วนหนึ่งแล้วตัวที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเกิดตัวรู้สึกตัวนี้ก็เป็นกันหน่งมาพยายามใจย้ำตรนี้ให้ชัดกว่าทีนี้ไอ้ตัวตัวเนี้ให้มันชัดเจนที่สด้่าเออเนี่ยตัวกายเหมือนจอโทรศัพท์อาการที่เกิดกับร่างกายนีมันเกิดเหมือนคลื่นรูปเสียงกิ่นรสสัมผัสสัมผัสที่เกิดกับร่างกายที่มันกระทบ แล้วก็มีตัวรู้ว่าเรื่องอะไรกำลังเกิดขึ้นด้วยเนี่ยตัวที่รู้ว่าเรื่องอะไรกำลังเกิดขึ้นกับร่างกายนี่แหละเรื่องตัวรู้สึกตัวแต่ภาวะเนี่ยบางทีเรางงไงบางทีเรารู้สึกว่ามันเจ็บกายมันเจ็บแต่ใจเราจะเจ็บด้วยเนี่ยเรียกว่าเราคุ้นชินแนบสนิทกับมันจนแยกไม่ออกไม่มีกําลังพอกําลังของตัวรู้เราไม่พอแยกไม่ออกแล้วจิ้ข้างในอีก ข้างใ น, นก็เอาเหมือนกันใจเป็นจอภาพอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาต่างๆเป็นเรื่องราวแล้วก็รับรู้มันเนี่ยตัวใจเนี่ยเป็นตัวจอจอภาพที่เฉดแล้วก็อะไรที่มาเกิดกับร่างกายรับรู้มันที่ เ, เริเดี๋ยก็ผ่านไปคิดมาชอบมาชังมาเบื่อมาเดี๋ยวก็ผ่านไปอันนี้พอเข้าใจไหยให้มันชัดนะคอร์สนี้ ทำเน well. yeah. ี่ยมันมันมันมันชัดเจนหน่อยว่ตรงเนี้ยไม่งั้นเราไปหน้าไม่ถูกเลยแยกให้ได้แบบอันเนี้ยตัวรู้สึกตัวคือตัวธรรมชาติเดิมแท้ที่มีอยู่แล้วเดี๋ยวจะบอกวิธีปฏิบัติว่าทายังไงให้ตัวนี้มันมันเติบโตทั้ไม่ไม่งั้นเราลองจะมั่วนะจะมั่วแล้วไม่ชัดเจนเดินไปข้างหน้าก็จะคงงงงไปเรื่อยเรยเดี๋ยวเราเข้าใจทั้งสองส่วนเนี้ยโอเคกาย เหมือนจอภาพนะครับที่เกิดกับกายที่มันเีย็นร้อนอ่อนแข็งเจ็บปวดเมื่อยเพรียยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวนานชนิดนี่เป็นสิ่งที่มาปรากฏบนจอภาพที่เฉยแต่ตาเราเนี่คือตัวรู้สึกตัวที่รู้เหตุการ์ตัวที่รับรู้รับสราบเหตุการ์นี่แหละตัวรู้สึกตัวสนใจเราด้วยกันอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงน่ะมันเป็นสิ่งที่มากระทบกับใจทําใจมาจอภาพรับรู้เรื่องราวมาแล้วก่อนอย่าไปตามเรื่องราวนั้น เรารู้ว่าอาจจะเป็โกรธเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่าโกรธตรงๆตรงๆไม่ต้องไปซิีแซกโกรธคือโกรธเบื่อคือเบื่ออยากคืออยากบุญอีกคือบูญอีกอึดอัดคืออึดอัแต่เมื่อมันเป็นแล้วเนี่ยรู้อาการมันอย่าเป็นไปตามอาการมันมันกำลังมาแสดงเรื่องราวให้เรารู้เหมือนกับลบอลกําลังแสดงเรื่องเนี่ยเออมีเรื่องนี้เรื่องนี้ขึ้นมาให้เราเห็นชัดมันจะได้มีตัวรู้สึก อีตัวรู้สึกที่มันเป็นบางครั้งเมื่อเรารู้แล้วสังเก็บไหมทําไมตัวรู้สึกตัวเราไม่ขึ้นเติบโตเพราะบางครั้งเรารู้แล้วเราชอบเข้าไปจัดการไอ้ภาวะที่เราเข้าไปจัดการเข้าไปแทรกแซงมันนี่แหละทําให้ภาวะของตัวอุเบกขาในใจเราหายไปแต่ผลที่ได้รับผลประโยชน์คืออะไรอย่างเช่นเรารู้ว่าเราโกรธเราก็พยายามจัดการวาครวามโกรธนั้นหะรือคุ้งซ่านเราพยายามจัดการความคุ้งซ่านนะ หรือมันม่วงเราพยยาจัดการความม่วงนะหรือคัดเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยพยายามจัดการมันจัดการมันเพราะเราจัดการได้อะไรได้ผลประโยชน์ตัหาอะไรได้ผลประโยชน์จัดการไม่ได้อะไรได้ผลประโยชน์ตั้งหาอีกเนี่ได้ผลประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งลอกมีตัวแต่ตั้งหาเป็นตัวได้ผลประโยชน์ไอตัวขาวว่ารู้เฉยๆรู้ซื่อๆอย่างมิวเบขาเนี่ยมันจะไม่เกิดเมื่อไม่เกิดปุ๊บกำลังของตัวรู้ มันจะไม่มีเพราะมันจะส่งเสริมกําลังของตัวต้าหาให้มีกําลังมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมันเกิดมาจากรางพุ่เราก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปจนกระทั่งมันทะลุออกมาทางกายกรรมวิธีกรรมมโนกรรมเนี่ยมันเข้าไปเสพเรียบร้อยแล้วกายกรรมวิธีกรรมมโนกรรมพอมันทะลุออกมาทางกายกรรมวิีกรรมมโนกรรมปุ๊บก็แสดงนะแสดงการอื่นอ่ะับเครื่องมาเทั้งที่อารมณ์นั้นอ่ะมันเป็นแค่ เรื่องราวที่มันกำลังเราเรับรู้รับทราบอยู่ว่าเออกำลังโกรธเนนะี่ยแต่ด้วยกําลังของสติสมาธิและอุวิกชาไม่ได้รับผลเนะี่ยมันจึงส่งผลกําลังให้ตันต้นตั้หาอุปท า, านชุดคิดชุดเดิม่าเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นชอบทําตามทั้งเกตในนี้ีดิพฤติกรรมแต่ลนะคนเนี่ยเวลาอารมณ์นี้เกิดขึ้นมาปุ๊บชอบทําตามชอบพูดตามชอบทําตามชอบไปตามชอบเสพบ่อย อันนั้นเนี่ยคือร่องของทิฏฐิร่องของตัณหาร่องของอุปาทานมันจะเกิดขึ้นแตาเราแยกไม่ได้ทำไมครูอาจารย์บอกให้รู้ซื่อๆรู้เฉยคนยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีมันมีทิฏฐิมีอุปมัตมีตัณหาอุปาทานนำหน้ามันจึงรู้ซื่อๆรู้เฉยไม่ได้ รู้ที่ไรแล้วมันอดไม่ได้ทังเกียรติเลยทีรู้ทีแล้วเราอดไปได้ที่จะต้องอะไรกับมันนู่นนี่นั่นกับมันอยู่เรื่อยแต่สมัยครูบาอาจารย์ที่ท่านไหว้อนที่ท่นมีมีที่ทำไปแล้วแนะี่ยท่านมีเบิกขามีสมาทิสมาธิต้องเบิกขาก็มาได้ดีเลยเวลาเจอมันนะไม่ทําอะไรรับรูมันเฉยๆแล้วปล่อยมันสบายตัวเองไม่ทําอะไร แต่พวกเราสังเกตไหมว่าเวลาอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บเราจะปล่อยให้เรารู้เฉยเฉยไม่ได้เราต้องทําอะไรบางอย่างแต่หารูไ้ไหมว่าเบื้องหลังมั น, นคืออะไรคือคําสั่งที่มาจากพอเข้าใจนะเข้าใจไม่เข้าใจเข้าไปดูเอาให้ดีแล้วกันมาเออเรามีหน้าที่เราตัวจริงที่เราต้องฝึกคือทําหน้าที่รับรู้อารมณ์ซื่อๆเฉยเฉยไม่ต้องทําอะไรเลย ยากต้องรู้ว่าไม่จำทำอะไรนี่โคตรยากเลยทังที่มันเรื่องง่ายที่สุดเลยแต่ด้วยนิสัยที่เราเคยเคยมีร่องพฤติกรรมเก่าของจิตเราอยู่เสมอเสมอเพรมันเกิดขึ้นมาพวกเราก็อไออย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยอเงมันโกรธแล้วเราก็ทําตามความโกรธเนี่ยมันเป็นร่องของเก่าของเราเมื่อมันอยากก็ต้องทำความอยากถ้าไม่ทําตามมันแล้วมันจะหยุแต่ทําตามมันแล้วก็จะหายหยุดมาครั้งใหม่ แต่หารู้ไหมว่ามันสร้างความรู้สึกมันมีอํานาจนนในใจเราเข้าใจเรานะี่ยเป็นตกเป็นธาตขึ้มนมาจนแล้วที่ว่ากับเป็นธาต่อกเป็นธาตุในเป็นภัยตรงนี้ที่ครูบาอาจารย์ว่าเป็นธาตอันนี้คืออันหนึ่งให้ฝึกให้ดีว่าตัวรู้สึกตัวจริงๆอ่ะภาวะของตัวรู้สึกตัวจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับพวกนี้เลยนะไม่ได้เกี่ยวเลยที่เกี่ยวในที่เกี่ย ว, ยวมันเป็นอีกภาวะหนึ่งของมัน มันเป็นอารมณ์หนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับอารมณ์พวกนี้แล้วที่มันเติบโ ต, ตไม่ได้เพราะอารมณ์พวกนี้มันมีกําลังในการทับถมทับถมเราตลอดโดยเฉพา ะ, ะอย่างยิ่งความคิดและอารมณ์แล้วเรายิ่งไปฝึกแล้วยิ่งฝึกไปทะเาะอับความคิดจะไปใหญ่ความคิดยิ่งไปหนักเลยที่วิดาเราจะฝึกแล้วก็แยกกว่าเวลาจะฝึกเนะี่ยตัวรู้สึกตัว ที่มันจะจะเจริญเติบโตแล้วและให้มันก้าวหน้าและเข้เขเเมแข็งเนี่ยต้องทําอะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างในเรื่องต้นนะตัวรู้สึกตัวที่เราจะทํำเข้มแข็งต้องมีอารมณ์ปัจจุบันเป็นที่เรียงอารมณ์ปัจจุบันเป็นที่เรียงที่เป็นอารมณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับความคิดเลยจังแวรู้สึกภาวะอารมณรู้สึกตัวนี้ไม่ใช่ตัวคิดเด็ดขาดคิดไม่ใช่นะ มันทำนาที่แก่รู้เฉยๆไม่ใช่คิดถ้าคิดเนี่ยเป็นตัวอารมณ์แล้วไม่ใช่ตัวรู้และสองตัวนี้จะผสมกันจนทั้งร้องไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรที่เราจะให้มาเติบโตได้ยังไงต้องเอามาอาศัยตัวอารมณ์ปัจจุบันเป็นที่เรียนอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เรียนคนไหนก็ตามอยากให้ภาวะของ ตัวรู้สึกตัวของเราเองเนี่ยตัวรับรู้รับทรบาของเราเนี่ยเจริญเติบโตแลวเกิ ด, บ, กดบ่อยเกิดบ่อยเนี่ยต้องอาศัยอารมณ์ปัจจุบันเป็นพี่เลี้ยงอารมณ์ปัจจุบันเป็นยังไงปัจจุบันคืออะไรปัจจุบันคือความเป็นทุกคนบทีบอกปัจจุบันคือที่นี่ปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ปัจจุบันฉันกำลังทำอะไรอยู่ นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่สร้างจบะอยู่อันนี้ใช่ปัจจุบันไหยหรือปัจจุบันที่หนองกรดอันนี้ปัจจุบันการอบรงอยู่นี้นี่ใช่ปัจจุบันไหมมันก็ใช่แต่ปัจจุบันที่มันกว้างไปอ่ะมันกว้างเกินไปภาวะปัจจุบันเราไม่มีต้องจําจับอารมณ์ลักษณะอารมณ์ของปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีแต่มันแสดงในรูปรักษอะไรรูปลักษของทีละขนาด อาว่าก็ปัจจุบันคือเอาว่ารู้สั้นๆทำไมเราสร้างจังหวะเนี่ยให้มันเลี้ยงอยู่นี่ก่อนมันเลี้ยงอยู่กับความรู้สึกขนาดเดียวขนาดเดียวขนาดเดียวขนาดเดียวให้ได้สัมผัสคนไหนก็ตามเท่าสําเนตสัมผัสได้ก็ะจะมาพูดมาตั้งหลายนาทีเลยสัมผัสได้ไหมคือพูดคนไหนจะเลือกคนไหนเบื่อก็อยากเลิกคนไหนฟังเข้าใจก็สนุกดีด อไก็เข้าใจก็ฟังไปงั้นแหละเอางูไม่เป็นไรเวลาฟังเวลาฟังเห็นไหสังเกตไหมว่ามันจะจบเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นขนาดนะเป็นขนาดนะไม่ใช่มียาวเลยพอจะมาอยุ่พูดต๊อกมันก็จะจบประโยคหนึ่งพอพูดเสุนกจบประโยคนึ่งมันมีความเป็นขนาดหนึ่งเหมือนคุณสร้างจากหวาสังเกตไหมันพิ้วูดหนึ่งแล้วก็จะหายพูดหนึ่งแล้วก็จะหายพูดหนึ่งแล้วก็จะหาย ถ้าเราสร้างยัว่าสัมผัสความรู้สึกขณะห น, 1, น, 1, นึงขณะหนึงะนั่นแหละคุณกาลังสัมผัสเอาว่าของตรู้สึกตัวจี๋ที่กำลังเห็นปัจจุบันกำลังเอาปัจจุบันเป็นอารมณ์ปัจจุบันนี้ไม่ทันได้คิดจะซ้ำไปแล้วปัจจุบันนี่มีทางกายนี่เป็นเรื่องของปัจจุบันทั้งนั้นเลยเวลาเราภาวนาะปุกบสังเกตดูทาําไมปุ๊อาจารย์ที่แบบให้มาอาศัาย ฝึกร mm ู hmm. are, so, yeah. ้กายก่อนรู้กายก่อนจนกระทั่งมาเป็นรูปแบบมันก็จัหวัดเตือนสมคพูดโทรยุกหนองของหนองอะไรก็ช่ส่วนใหญ่ใคยมาฝึกรู้ทางกายก่อนนี่เพื่ออะไรเพื่อเอามาเรียนทางกายก่อนเอาตัวใจเราเองมารับถัดรับรู้ทางกายก่อนการที่จะถัดรับรู้ทางกายบางคนว่าครูบาอาจารย์สอนให้ดูกายจริงจริเนี่ยไม่ได่สอนให้ดูกายให้ดูจิตจิตที่มันฝึกแล้วรู้กาย จิตที่ฝึกรู้กายนั่นแหละคือจิตนะฝึกที่การจิตที่การรู้เรื่องกายนั่นคือจุกจิตให้บันเรียนตรงเนี้ยเนียนอยู่กับภาวะปัจจุบันนี้ให้ได้ก่อนนะและปัจจุบันนี้ให้เอาหนึ่งสังเกตดูนะให้ออากายนำอย่าเอาใจนะอย่าเอาใจนำเข้าใจคำนี้ไหม หลาคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจให้กายมันนำและใจมันรู้ตามอย่าไปหลายบางทีเราทำฝึกไปฝึกมาเนี่ยเราจะฝึกรู้สึกตัวแบบตั้งใจเช่นพอเราจะตั้งใจสร้างจังหวะครับเดี๋ยวจะสร้างจังหวะเราวางที่ไว้เอาวางมือวางก่อนสิหยุดนริงจสิยืนดับฟกฟ้าอย่าเพิ่งไปหลังตอนนี้มืออยู่นี่ใช่ไหมมืออยู่ที่เขมีเนี่ยเ เดี๋ยวเราจะสร้างจังหวะกันใช่ไหมเดี๋ยวจะให้สร้างจังหวะสร้างจังหวะได้ยังสร้างได้ยังยังจตใจเราัตั้งท่าแล้วจะสร้างจังหวะเนี่ยนั่นก็เอาใจนําแล้วเอาใจทางกายยังไม่ทันกระดิกเลยใจเริ่มนําแล้วตั้งท่าจะสร้างจังหวะตั้งท่าแต่ตอนเนี้ยสังเกตุไหมเพราะวางวางอยู่นีดปุ๊บสัมผัสหัวสีวางอยู่นิดอะไรกำลังปรากฏ ที่ไม่ใช่การสร้างแกงหวานมีไหมที่มันเกิดอยู่แล้วอ่ะมีไหมเช่นท่านั่งท่านั่งเขาเทียบกับสมาชิกนี่ปรากฏอยู่แล้วใช่ป่าวนี่แหละกายมันนำอยู่แล้วเนี่ยแล้วมันกําลังกลุ่มกําลังร้อนกำลังเย็นกําลังเจี๊ยดอยู่มีไหมนี่ครื่องายนําเพราะกายมันเกิดอยู่แล้วเพอไม่เกิดก่อนปั๊บแล้วเอาใจเข้าไปรู้กระพิบตามมีไหมมีแต่รู้ไหม ไม่รู้เนี่ยให้หัดแบบนี้ยให้หัดว่าเอะสํารวจดูก่อนว่าอะไรกําลังเกิดกับร่างกายเนี่ยอันเนี้ยเป็นจังหวะเนี่ยเป็นจังหวะที่เอากายนําไม่ใช่เอาใจนํำนะถ้าเอาใจนําำใจจะไปสร้างเภาเดี๋ยวจะสร้างสิบสี่จังหวะขึ้นมาพวกนั้นจะภาพในหัวแล้วต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ขึ้นมาทันทีเลยนั่นเขาเริ่กเรื่มเอาใจนนะําเนี่ยะวันถ้ายให้สังเกตอย่างเงี้ย ให้มันเกิดก่อนแล้วค่อยรู้เกิดก่อนแล้วค่อยรู้ให้มันเกิดอาการทางกายก่อนแล้วค่อยรู้ใหมทุกอย่างนะลองทําดูสิทํำไปก่อนให้มันจบไปก่อนแล้วค่อยรู้ใหม่มันคิกไปก่อนแล้วค่อยรู้มันวางไปก่อนแล้วค่อยรู้ตามผัดรู้เงี้ยไม่ใช่ปะไปจากรอท่ามันนะตามก้นลงไปตามก้นไปทำไมต้องให้ตามด้วย เพราะว่าแม้แต่เอาเราเองเนี่ยให้มันโกรธไปก่อนแล้วค่อยรู้อย่าไปรู้ก่อนมันโกรธมันไม่มีให้มันอยากไปก่อนแล้วค่อยรู้ไปรู้ก่อนอยากมันไม่มีให้าัุ้มซ่ามไปก่อนแล้วค่อยรู้มันมันเหมือนกับว่าสมมุติว่ามีศัตรูเดินตามหลังเราแล้วเราเดินนําหน้ามันเป็นไงมันเสียเราตอนไหนได้ไหมไม่มีคนเนี่ยก็จะกองร้ายอยู่ข้างหลังเราเนี่ย จะมาเสียบเราตอนไหนได้ไหมได้เพราะเราไม่ได้เห็นมันอ่ะมันเสียบเราก่อนใช่ป่ะแต่ถ้าเราให้มันนําหน้าไปก่อนเวลามันจะหันมาใส่เราเนี่ยเราจะรู้ก่อนกันมาแล้วจังหวะเดียวกันกันเวลาเราฝึกกับอารมณ์ฝึกภาวนาจัรู้สึกตัวเนี่ยให้ภาวะของอารมณ์มันมันนาหน้าไปก่อนเวลาเรารู้ปั๊นมันจะเดี๋ยวมาทําอะไรเราจะรู้ทันให้โกรวมันด้วยก่อนพขรู้วเออมีโกรธแล้วนะเราจะรู้จังหวะเรื่อ ก็ควรหลบควรเลี่ยงหรือคุณต้องกานตัวยังไงแต่ถ้าให้ให้เอาเอาให้เรานําไปข้างหน้าก่อนเนี่ยเขาป้องหยากเราหน้าก่อนเ่ยเราจะตดนมันอยู่ข้างหลังมันจะใส่เราเลยเราไม่รู้ตัวให้ซ้อมจัดทางกายไปก่อนให้เอาภาวะของกายนําไปก่อนดูหน้ากายนำำยําทํายังไงคือให้เขาเกิดก่อนนั่นแหละทั้งหมดเนี่ยให้เขาเกิดก่อนแล้ ว, ลวเรารู้ที่หลังภาวะที่เรารู้ที่หลังนี่แหละจะเป็นจังหวะที่เราเลือกได้ แต่ถ้าเราไปรู้ดักหน้าเขาหนักโหเขายุกหลังเราเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอยหลังเราเราต้องทันก่อที่เราโกรธปุ๊บเราไปสังเกตดูไหมว่าเวลาเราโกรธหรือเราอยากอะไรสักอย่างเนี่ยเขาไปทําเสร็จแล้วเราจะกลับมาเสียใจทีหลังเกิดป่ะมันอยากู็มันอยากดีหรือโกรธแล้วเนี่ยมันจะไปทาำจนกระทั่งจบแล้วไม่น่าทําเลยนั่นเองไม่เอามันให้มันนำหน้าไปก่อนไง แต่ถ้ามันนำหน้าไปโกรแล้วเราอยู่ข้างหลังนะเก็นความโกมาปั๊บเนี่ยเรามีสิทธิ์เลือกนะทำก็ได้ไม่ทําก็ได้ทําไปแล้วต้องรับผลไม่บาของตัวเองนะไม่จะมีใครรับแทนถ้าไม่ทําก็โอเคแล้วก็ปล่อยมันไปเพราะทำแล้วก็หายไม่ทาแล้วก็หายไม่ทํำดีกว่าเพราะทำไปแล้วมันก็จะเกิดผลพวเยอะแยะมากมายใจไม่ได้ใจมันไม่ได้ส่งสู่ผู้เบีขาสติสมาที่เราเบกขาไม่เติบโต มีแต่ถ้ามันทําตามอารมณ์นะมีแต่ตัณหา อ, อุปทานมันเติบโตรเราจะละปัญหาตัณหาคือเหตุเกิดทุกแต่เราจะ เ, เราจะละมันไม่ได้ดังนั้นถ้าหากว่าเอากายนําแล้วเอาใจรู้ทิ่หลัรู้ตามมันจะดีเพราะจังหวะ น, นี้ยมันจะเป็นจังหวะที่เรามันจะเป็นเว บ, บธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติถ้ามันเกิดก่อนแล้วเรารู้ตามเนี่ยเกิดก่อนแล้วรู้ที่หลั รู้ตามแต่อย่าไปตามนะไม่ใรู้ตามเรื่อไปตามรู้ตามรู้ซื่อๆแล้วไม่ต้างไปตามกลับเลยกลับอันนี้กลับมาตั้งต้น อ, อยู่กับปัจจุบันที่ลักษณะใหม่ที่แบบไหนอันนี้คือตัวส่งเสริมเรื่องหนูให้เติบโตไม่ใช่หนูให้เติบโตแล้วนะแมวผู้ผิดส่งเสริมให้ตัวรู้เติบโตทันทีแล้วตัวรู้ไม่เติบโตคือส่งเสริมอะไรเอาอดีตอนาคตมาใส่เพื่ออะไรมันไม่ไม้เติบโตหรอก เวลาตัวรู้สึกตัวมันไม่ได้เติบโตไปอยู่กับเรื่องเก่ากับเรื่องข้างหน้านู่นมันจะมีแต่ความคิดเติบโตถ้าเราไปเอาอาดีตอนาคตเข้ามาใส่นะมีแต่ความคิดเติบโตไม่ใช่ตัวรู้เติบโตอารมณ์เติบโตหมดเลยทั้งเกตดีเวลาเราเรียนสุกวงสร้างก่อนมันจะมีสองภาวะเกิดขึ้นมาแต่ทีหนึ่งภาวะปัจจุบันที่มีอยู่สองภาวะอดีตอนาคตที่เกิดขึ้นแล้วส่วนใหญ่เราจะอยู่ทนมาก เราจะพึ่งชิมไปเรื่องแบบอดีตกับอ น, นาคตเวลาเราวานาเนี่ยคนอายุม า, มากๆมันจะไปไหนมากอดีตเรื่องอนาคตคุ้เท่าอหร่อดีตโยงไปโน้นเรื่องหลัเรื่องเกา่าพับเล่าใหม่ไมจ่จบอน า, นาคตไม่เคยมีจะเด็กหยุ่มๆไปไหนมากอนาคตมันจะวุ่นวายถ้าเราโมจะปล่อยใจไปสนใจ ความรู้สึกของความคิดหรือารมณ์ที่เป็นอดีอตในอนาคตและเวลาเราเล่นโทษษรศัพท์เนี่ยเป็นเรื่องของอดีตใเรือร่องอนาคตมันจะเกิดร่องในใจไปอย่างนี้ไปอย่างนี้พอมันเกิดเราโมโหปบ ก, ก็โหโหความอยากปุบก็อยากเป็นเรื่องสร้างไปเลยจนมันลืมลืมพื้ภาวะที่เป็นปัจจุบันที่มันลืมไปนี่นองเรื่อง น, น, น, นะถ้าเราต้องการให้ภาวะของตัว รู้สึกตัวที่มันเป็นตัวรู้ ๆ, ๆนี่ยเกิดขึ้นมาปุกเราต้องเอามาเลี้ยงกับอารมณ์ปฏิบันที่เป็นขนาดหนึ่งให้คนไหนก็ตามขยันรู้สัส้นๆได้อคนนั้นจะไปได้ไวเบื้องต้นอย่างขยันรู้สัส้นๆก่อนรู้ความเป็นขนาดหนึ่งของทุกสิ่งเดินไปเนี่ยเวลาเราเดินสังเกตไหมว่าเวลาเวลาตะวันมันขึ้นตรงๆเราเนี่ยสังเกตไหมว่าเราจะไม่มีเงานะเราสังเกตเลยเวลาเราไปใช้น่ะ ถ้าอยู่ที่เมื่อเอาไปใช้มาฉายข้างหน้าปุ๊บเงาจะไปข้างหลังเอาไปใช้ใช้ข้างหลังปุ๊บเงาจะไปข้างหน้าแต่ถ้าเอาไปใช้มาใช้ตรงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีเงาอยู่ฉันใดเหมือนกันถ้าเราเอาไปใช้ไปข้างหน้าเหมือนอนาคตมันจะมีเงาอีกไปใช้ใส่อดีตปุ๊บมันจะมีเงาอนาคตแต่ใส่ตรงๆรงเท่าไหร่ปุ๊บมันจะไม่มีมันจะมีแต่ภาวะปัจจุบันที่เราอยู่เดี๋ยวนี้ที่นี่ตรงนี้ สังเกตดูถ้าเราอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ตรงนี้เรามีเรื่องหนักใจไหมเรามีเรื่องหนักใจไหมถ้าเราอยู่ตรงเนี้มีไหมมันไม่มีนะตรงเนี้มันการอยู่ตรงนี้พวกมันสังเกตเนี่ยมันโกรธใครเป็นมันเกียดใครเป็นมันคื่นตรใครเป็นไม่มีมีแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจริงๆทั้งหมดเลยยังไง ยิ่งแต่เราตื่นคนไหนก็ตามเขาตื่นเติมความรู้สึกขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งไปเรื่อยๆคนนั้นจะเริ่มชใจจะเริ่มเบาขึ้นหนึ่งมากเบาจากอดีตเบาจากอนาคตเบาจากการยังคิดยังทำเบานี่คือหลักความว่าต้องให้ชัดเจนว่าตัวรู้สึกตัวไม่ได้เกี่ยวกับอารมณ์พวกนี้แต่อารมณ์พวกนี้มาเลี้ยงมันอาศัยต้องอาศัยอารมณ์พวกนี้มาเลี้ยง อุปมาเหมือนกับเราเราอยากจะดูนาเราต้องมีอะไรส่องกระจกใช่ไหมเคยส่องหน้ากันบทุกวันส่องใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีกระจกส่องเห็นไหมเห็นบ้างตามองชูยังมองไม่เห็นเลยมองจมูกตัวเองยังมองไม่เห็นเลยมองปากตัวเองมองไม่เห็นเลยฉันใดเมื่อไหรเวลาตัวรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นเมื่อมันมีอารมณ์พวกนี้ขึ้นมาที่ไม่ใช่ตัวรู้สึกตัวนั่นแหละมันจะเกิดขึ้นมาให้เห็นจังหวะที่มันจะเกิดขึ้นมาเพราะ เมื่อมีอะไรมากับเขาปุ๊บตัวนี้จะเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็จะดเดเราทำให้ก็เกิดเขาเกิดโดยธรรมชาตินี่ก็เกิดบ่อยๆอยู่แล้วทํายังไงให้มีสติคุ้นชินกับเขาอันนี้คือตัวเขาจริงคือตัวนี้ตัวที่เกิดขึ้นมารู้สึกตัวที่รับรู้รับทราบให้มัรู้สึกตัวที่ตัวรู้อย่าไปรู้สึกตัวที่ตัวกายหรืออย่าไปรู้สึกตัวที่ตัวอารมณ์ รู้ส hmm? ึกต like ัวที่ตัวรู้ที่มันรับรู้เรื่องราวเนี่ยรับรู้เรื่สร้างอย่าเนี่ยตรงนี้ยจำมันได้ได้นะไม่ใช่ยกมือไปรอยไป้อยไปมันยกมันยกจนมันรู้จิตเนี่ยอยู่ไหมแล้วระวังอีกอันหนึ่งนะจังหวาเนี่ยบางทีบางคนตั้งใจทําเคลินไปเนี่ยตั้งใจเอาใจนําไม่ใช่เอาใจตามเช่นเวลาตั้งใจหวาปุ๊บเนี่ยมันตั้งใจจะคันนั้นไปเดินชมกลมกันแล้วตะกียบ เลยเกิสั่งให้เดินเดินไปดีๆทๆที่เกิดสัง ย, ยุ่งพอส่ง ย, ยุ่งปุ๊บเนี่ยเห็นเลยว่ามันมีอันหนึ่งที่มันวิ่องออกไปข้างหน้าตัวความรู้สึกมันจะวิ่องออกไปเดินต่อมรู้แ้วอ๋อี่เองคนเน่ยเวลาเดินชกรมนานเข้านานเข้าปุ๊ถ้ามันไม่หยุดป๊บเนี่ยมันจะไหลา ย, ยาวเลยจะนี้จะเลยเพลินมันก็เลยเป็นนันทิราคัทนันทิราคัาคก็เป็นเหยียอของนิวอ่นนิวอ่อนเนี่ยต้ล แต่พอหยู่กึกทุบเนี่ยอ๋เฮ้ยมันมีอันหนึ่งที่สั่งให้เราไปสั่งให้เราไปไม่ใช่มันไม่กลับมามันไม่รู้อยู่กักายจริงๆมันมีคําสั่งอยู่เบื้องหลังตลอดเหมือนตอนเนี้เห็นเกตเห็นมันพอเราจับตรงนี้ได้ปั๊บเรารู้ว่าเออต่อไปนะเราสร้างเหตุมันให้มันรู้สึกทีละขนาดให้ได้วันเนี้ยค้อนนี้ลองดูสิช่วงสองสวันแล้วเนี่ยบ่งเคาะอันนี้ดีก่อน มันรู้สั่งๆนี่แหละรู้ลปล่อยเลยรู้ละทิ้งเลยรู้ละทิ้งเลยรู้ละทิ้งเลยเพื่อพาใจมันตื่นมาได้ก่อนให้มันตื่นออกมาจากกังขีตื่ืออกจากอารมณ์ให้ได้ก่อนตื่นกับวิญให้ได้ก่อนทิ้งให้หมดทิ้งให้หมดไม่ต้องไปเสียดายมีอทิ้งเี่ทิ้งไรเกี่ยให้เหลือตัวให้เหลือตัวรู้อย่างเดียวพอทิ้งให้หมดเลยนด้วยอาศัยรปปัจจุบันเป็นหลักทิ้งลัคนะสั้นๆสั้นๆ เลียงตรงนี้ไปทีนี้พอเราทําไปได้สอยๆครับหนึ่งพอเราทําไปแล้วทีนี้มันมีเรื่องมากวนไม่เลอกเนี่ยมันกวนไม่เลิก เ, เพราะว่าเพราะอะไรมันติดมาจากนิสัยเก่าของเร า, อาเองใช่จกิงไหมเรารู้วันนี้แล้วบางครั้งมันไม่อยอมทิ้งอะ่ะหรือบางครั้งมันคิดไม่เลิกบางทีเนี่มันคิดไม่เลิก อ่าตอนนี้เราต้องพาใจเลยใจต้องขัดใจพาใจออกแะต้องพาใจออกไม่ได้บางที่ใจไหนบางช่วงมันจมมันจมนจไปอยู่กแบบับความคิดข้างในเีไปอยู่กับอะไรี่เราค้นมากๆต้องพาเราออกมาอันนี้ช่วยมาหน่อยแต่พาออกมาเฉยๆนะไม่จะพาออกมาเมื่อห้หายคิดข้อผิดของพวกเราทัานหนึ่งคือฝึกไปแล้วนะข้อฝึกไปทําลายความคิดไม่ต้องไปทําลายมัน ความคิดเนี่ยมันจะทําลายตัวเองไม่ต้องไปยุ่งมันเลยไม่ยุ่งกับมันก็พอแล้วถ้ายิ่งมันคิดขึ้นมาปุ๊บแล้วยิ่งไปทำลายความคิดเนี่ยยังยุ่งอยู่กับความคิดไหมอยู่แต่ถ้าเราออกมาเฉยๆอา้าวมันคิดคิดไปแสดง ว, ว่าเวลามันคิดเนี่ยสังเกตดๆีๆปัจจุบันเราจะหายเรต้องกลับมาสังเกตตรงนี้พาออกมาอยู่ปัจจุบันอย่าไปอดีตนะเพาะเนี่ยพาจิตออกให้ตื่นให้ได้ก่อน ตื่นขึ้นมาช่วงสอมวันแรกเนี่ยอาจจะพาพอนาร่วมกันกับพ่อสถานที่มันไม่ค่อยสะดวกพามันตื่นสบายได้ก่อนเพื่อพาออกพาออกทำมันจมไปอดีตอนาคตออกมาอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยอยู่แล้วไม่มีโทษนะมีแต่คุณเพราะปัจจุบันเนี่ยอยู่ยิ่งอยู่ยิ่งเอาอะไรไม่ได้ยิ่งอยู่ยิ่งไม่ได้อะไร ยิ่งอยู่นะยิ่งไม่ดีคุณให้เอาอะไรได้เลยเพราะมันแค่ว่าเดียวแล้วจบไปวั้บเดียวแล้วจบไปทั้งหมดเลยแต่บอกให้มาอยู่กับปัจจุบันให้ได้ก่อนมาเลี้ยงเนี่ยความเป็นขนาดหนึ่งรู้สั้นๆยิ่ได้เรื้องต้นเนี่ยทําให้เป็นก่อนแล้วถ้ามันยาวเมื่อไหร่ก็พาออกมามันจะลืมแล้วก็พาออกมาอยู่กับปัจจุบันต่อที่นักขนาต่อเนี่ก็พาออกบางที่ไม่ชอบนิสยัยมัช่องโจงเข้าไปเไหร่เท่าไหร่พามันออ ก, ออก ออกมาจากความคิดมันมีการภาวนาอยู่สอง่านเ้าต้อเข้าใจหลักการดีๆพอน้ำยี่สองขุ่นุ่มหนึ่งคืออะไรเมื่อคนที่มีสมาธิแลอุเบกขามากเข้ามาเขาเขาจะดันเลยนะเขาจะแทงให้เขารู้เลยถ้ามีสติมีสมาธิแล้วเบิกขาดีๆพวกเนยเขาไม่ไม่หนีอารมเพราะนั่นจิตเขาวางจิตเป็นเขาจะดันอะไรเลยดันจนเขารู้เลยจชนงัวกมาพูกเลย พวกามาคิดมาฟุ้งซ่านมามแบบมาเขาไม่หนีก็จะดันมันจะลุกเลยแต่นั่นต้องกำลังของสมาธิและอุเบกขามีกำลังพอที่จะดันไปได้และจะทำลุกไปแต่ภาวะของพวกเราเนี่ยมันไม่ได้มีสมาธิและอุเบกขามีแต่ตัณหายิ่งดันจิ้งตันเพราะยิ่งดันไปจิ้งทะเลาะกับลมให้เลิกเพราะนั้นแหละคือราวะขอามีมีตัณหาเป็นตัวนา นี่มันกุ้งร้านจะเัาเรอบปากองกุ้งซ่านเนงวกับทั้งรอบะาง่วกมันคือไหนจะทั้งรอบปากติดกันติดกับทั้รอปกเิดเชื้อแล้วก็ผ่านไปทั่วเลยอันนี้เป็นจังหวะนึงครับเท่าคนไหนมีสติมีสมาธิและอุเบกขาเพียงพอเนี่ยดังทะลุได้เพราะก็วางใจเป็นแต่อีกคนหนึ่งที่ไม่มีกาลังคอยิ่งดังไปยิ่งแบบถอยมาถอยมาก่อนถอยออกมานี้จังหวะนถอยมาลายเนาะมันพายขวาขวดเนี่ย มันมีสองอันนะหมุนเข้าจนกระทัเดียวมนหวานเลยกับคลายออกจะระุดถอยมาก่อนถอยจิตมันนะถอยแรงเข้าไปก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยไปอยู่กับปัจจุบันขนาดนึ่งขนาดนึ่งเลื้องไปเรื่อยๆถอยไปเรื่อยๆเพสร้างสมาธิและอุเบกขาให้เก็ิดปอดแล้ววันดีคืนดีกุกท้องอัดเลยจังหวะเนี้ยมันจะมีจังหวะอัดอยู่แต่จังหวะที่อัดแล้วยังวางจิตไม่เป็นเนี่ยจะไป็อัดยิ่งอัดยิ่งโดนอัด ถ้าวังถวางเกรติไม่เป็นนะยิ่งอัดกับวันยิ่งโดนอักสังเกตดรติบางคนอ่ะอาจจะมึนเลยจนเครียดจนปวดหัวจนแห่งจนจ้องจนรุ่งเลยจนเรื่องภาวนาไปเรื่องทุกข์มากเลยก็ที่ภาวนาหน้าจะเป็นเรื่องสุขสบายแต่กลับทุกข์เยอะขึ้นเนี่ยเพราะว่ายิ่งเราอัดแล้วอัดให้เป็นเนี่ยมันไปส่งเสริมแต่การหาโอกระคาทั้งนั้นเลยมันไม่ส่งเสริมสติปัญญาแต่ถ้าเราถอยหักถอยออกก่อน เวลามันง่วงของัดถอยไม่อยู่กับปัจจุบันเวลามันไปโมโหอะไนานก็ถอยออกมาปัจจุบันถอยมาอยู่กับกายเนี่ยถอยออกมาแล้วสังเกตเวลามันคิดมันนึกเออมันลืมกายแล้วโผลองกายมันหายไปเริ่มมารู้นี้ก่อนเริ่มมารูก่อนอิงกข้างนี้ไว้ก่อนเข้ากายเป็นปัจจุบันให้ถอยออกมาบ่อยๆถอยบ่อยๆจนจิตเขาคุ้นชินนีถอยมาเรื่อยๆถอยมาเรื่อยๆจิตเขาคุ้นหนัตัวรู้สึกตัวเรื่มหนักคุ้นชินนะกับการอยู่อย่าง แล้ววันนี้คืนดีพุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าฝึกถอยออกมาก่อนให้มันมันจังหวะที่สองคือถอยก่อนถอยเพื่อเลี้ยงตัวรู้สึกตัวให้เจริญเติบโ ต, ตก่อนพอพอมีกําลังทุกทีนี้อัดเลยขลข เ, าเยขาจะงหวะอัดได้ฝืนฝืนมาทุกเรื่องเลยทีนี้เมื่อมีกําลังของสมาธิและเบีขาเต็มเขาจะฝืนมาทุกเรื่องอะไรทีนี้มันจะมาเรื่องแบบนี้ฝืนหมด ตั้งแต่การกินการยืนการเดินการนั่งการนอนเวลาจับเอแต่เรีฝืนเลยเอ๊ะยุก่อนว่ามันมันเปลี่ยนเพราะอะไรนี่คือขั้นตอนของการที่สาฝืนฝืนมันเลยเมื่อจิตเราฝ้นเริ่มเวลาจะหวัดฝืนด้วยสมาธิเราเบกขาฝืนอย่างสบายๆมันจะรู้นะเวลาฝืนฝืนอย่างสบายๆ เพราะว่าใจมันได้เข้าไปร่วมล้วใจมันแค่เป็นผู้รู้ผู้ดูผู้รับทราบเรื่องราวเฉยๆตัวเนี้จิตมาเริ่มชำนานแล้วมันชนะเพราะมันมีสติมีสมาธิเราเบียดขาขาึ้นมามันเริ่มทำนานในการงานฝืนแล้วมันจะนั่งฝืนเวลาฝืนสังเกตสังเกตการฝืนแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันจะไปเห็นอะไรเห็นคําสั่งรู้ไหมเรื่องหลังของพวกเรานะ่ยมีคําสั่งจากผู้แต่ละคำเนี่ยมีคําสั่ง จะพลิกแต่ละทีนี้มีคําสั่งจะเข้าห้องน้ําห้องส้วมแล้วพี่คาสั่งหมดเลยแต่เราไม่รู้จักมันยังมีคําสั่งอยู่ทํำยังไงตัวคําสั่งเนี่ยมันออกมาข้างหน้าให้ผมดขุดคุยมันให้มันนานมาให้ผมดก็จะได้เห็นตัวมันมันมีตัวสั่งอยู่แค่เราขยับนิดเดียวเนี่ยทีมีคําสั่งเพราะเราไม่เห็นแต่เราฝูนมาเข้าวแอ้าวแะเพิ่มบ้างก็ได้บางที่เราเปลี่ยนทังเกตเพื่อก่อนอจะมาให้รู้ เวลาเขาน้ำไปปุ๊บมันอ่นอัดอยู่ๆมันคิดไปเข้าห้องน้ำหรือบางครั้งมันสร้างอาการเหมือนเจ็บท้องเข้าห้องน้ำพอไปเดินเขาน้ำปุ๊บมันหายเลยมันหายเลยเฉยๆเนาะอันนี้มันไม่ใช่ห้วยมันไม่ใช่ที่ร่างกายเป็น่ยนไปแต่มันเป็นความอยากในใจที่มันออกมาสั่งกที่มันออกมาบีบคั้งร่างกายให้เราไปทําจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่เราฝืนแต่ต้องเลิกต้องฝืนซ้อมมาดีๆก่อนแล้วก็ฝืนมันตรงๆเลยที่ไหม ฝืนเข้าไปเลยฝืนเข้าไปทุกอย่างจะกินเหมือนกันเอ้าทำไมมันพิกมันให้หมดเช่นทำไมมัชอบกินอันนี้กินอันนี้ไม่ชอบใช่ไหมนั่งๆไปทุกอ่างทำไมมันจะนั่งสักชั่วโมงนึงเนี่ยอ้าทำไมมันยวรุวนั่งชั่วโมงมที่ฝืนเจาบกเนี่ยเจบกฝืนมันฝืนเพื่อตัเอานส่นเรา ว่าจริงๆเนี่กายมันสั่นหรือตัณหามันสั่นมันจะทำอีแบบสั่นอยู่เรื่อยๆฝืนนั่งอยู่เฉยๆพวกบางที่มันสั่นกรดิกบาทีนั่งสั่นนั่งเฉยๆพวกมันก็ดิ้ขาเฉยเลยไม่รำคาญนี่ก็เหยียบขาเล่นเฉยนะครับทำไมอ๋อก็ยังไม่อยู่มันปวดมันเมื่อยทําไมขยันมันฝืนไปๆเข้ามันจะเห็นพฤติกรรมมันตอบอี่คือการตอบที่สั่น อันตอนสุดท้ายคือก็ตอนที่สี่ที่ก็ตอนที่ฝึกวางตรงนี้วางนี่คือสุดท้ายนี่คือการวางนี่คือวางเจตนาทั้งหมดจะต้องวางไม่มีเจตนาในการกระทำใดๆทั้งสิ้นเลยมันจะคืนไปสู่ตัวรู้ที่เป็นตัวธรรมชาติเดิมแหนเพราะว่าธรรมตัวรู้จริจรงๆที่เป็นตัวที่เราสร้างอยูน่นี้เป็นตัวรูที่มีเจตนาเกาะกลุ่มแล้วก็แบ่งแยก ธรรมชาติเตือแหนก็มันถ้ามารู้จักตัวรู้จริงๆก็ว่ามันคือวิญญาณนับข้าคือว่าศาสตร์สายและพลังงานตัวรู้จริงๆคือตัวพลังงานพลังงานของเราพลังงานต้นไม้พลังงานของไฟฟ้าอะไรเนี่ยเป็นลักษัะเกี่ยวกันหมดเลยนั่นคือธรรมชาติแต่ส่วนใหญ่พอเราจะมีนี่ก็เราจะมีเจตานานเจตานานที่เกาะกลุ่ ม, มว่าอันนี้เราจะอยู่ตรงนี้ อยู่กับกายร่ากายนี้เป็นของเรามีเจตนาในการรักษาใจอยู่เจตนาในการรักษาตัวภาวะรู้อยู่อันนี้มันยังไม่คืนค่ามันยังไม่สลายตัวตนมันยังมีเจตนาอยู่ตัวสุดท้ายครั้งสุดท้กันละเจตนาทั้งหมดปล่อยให้ทุกอย่างทํางานเขาว่าปล่อยได้ไมั้ยให้ความโกรธเขาทํางานตามที่เขามีไม่เลือกให้ความผุ้สร้างก็าทำงานตามที่เขาผู้สร้างให้เขาทํางานตามไหน ให้สงบเขาทางานตามสนให้ความคิดดีพี่คิดชัว่วให้คิดเล็กต่างหากเขาทํางานเขาคือธรรมชาติชนิดหนึ่งถ้าเราฝึกไปแล้วเนี่ยเราจะรู้จักว่ามันจะมีตัวสดสองของุ่ฝแล้วเราก้าวหน้ามันจะมีความอ่อนน้อมมากขึ้นมีความเคารพทุกอย่างมากขึ้นเคารพความจริงมากขึ้นเริ่มเห็นความปัใจปใจปัจจัยประอรกอบต้นจริงจริงพวกเราเนี่ที่เราฝึกเนี่ย เาอยู่ในขั้นจิตตารุกปัสนายังไม่เข้าขึ้นธรรมานุปัสสนาเนกายยาเนี่ยคือรู้อาการของร่างกายจิตตาคือการรู้สภาวะจิตรู้อาการต่างๆนี่กเป็นจิตตาอยู่นะรู้โกรธรู้ดุรู้หลงรู้สงบรู้ทุกงซ่านรู้คิดรู้ไม่คิดเนี่ยเป็นเรื่องของจิตตาอยู่แค่รู้มันรู้ตัวมันจะเฉยๆรู้สัาผมันเฉยเนี่ยก็เรืเรื่องของจิตตาอยู่ในเรื่องธรรมานี่มันจะรู้ลึกถึงว่าเอ๊ะไอโกรธเนี่ย ปัจจัยประกอบในการตรวจมาจากอะไรเป็นแรงผักดันอย่างเนี่ยไอตัวอย่างที่มันมีอยู่อะไรเป็นปัจจัยอยู่เบื้องลึกเข้ามาประกอบอารมณอย่างขึ้นมาหรือสมองเนี่ยมันมันสมบงไปได้อย่างไรประกอบด้วยอย่างไรเขาเรียกว่าถ้าฝึกทํามาเนี่ยจะเห็นปัจจัยประกอบเข้ามาเห็นเหตุเกิดขึ้นในทํานั้นด้วยเห็นเหตุเสื่อมไปในทํานั้นด้วยเห็นทั้งเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปในทํานั้นด้วยเห็นปัจจัยประกอบเพราะเรียนรู้เรื่องทำมา พวกเราดีเรื่องรู้แค่จิตใจกันอยู่แค่ไปรู้สภาวะเฉยเฉยแต่ยังไม่รู้ที่ไปที่มาของมันแต่ไม่เป็นไรค่อยๆทําไปเดี๋ยวมันจะค่อยๆตั้งมาเรื่อยๆแต่ที่คุณโครงสร้างเอาไว้ให้หมายว่าโครงสร้างที่เราจะหัดกัน่ะให้หันถอยออกก่อนถอยออกก่อนเพื่อบุกเพาะภาวะของตัวรู้ซื่อขึ้นมาภาวะของรู้ที่มีทําอะไรเนี่ยให้มเกิดขึ้นในใจให้ได้ไบ่อย ได้ขา่าวว่าคนรู้ที่ไม่ทําอะไรในใจเนี่ยมันจะมีสติสมาธิ่ออุเบกขาเป็นตัวนาแล้วมันจะพาไปสู่การจบนะแต่เบื้องต้นที่สุดนะให้รู้จักตัวรู้ให้เป็นก่อนว่าไอ้รู้จริงๆเนี่ยเป็นยังไง ร, รู้ที่สร้างขึ้นกับรู้ที่เป็นธรรมชาติรู้ที่สร้างขึ้นเนี่ยมันจะจะต่างกันยิ่เกียบทั้งเกตเ ง, ง่ายรู้ที่เป็นธรรมชาติกับพิมดตากรอบแล้วค่อยฟุ้แล้วใครทั้งเกตดู ตั้งใจจะรู้ก็บพิตารท์พไหนเนี่ยเริ่มทำขึ้นแล้วทาขึ้นแล้วมันจะนําไปมคนไปจะนาหน้าสภาวะไม่ตามสภาวะนําหน้าอาการดักรองคอยอาการเช่นเดี๋ยอนั่นจะเกิดเดี๋ยวนี้จะเกิดเดี๋ยวจะไปนู่นเดี๋ยวจะไปนี่เนี่ยมันมันนาหน้าแต่ถ้ามาตามเนะียให้มันเกิดก่อนแล้วรู้เกิดก่อนแล้วรู้ไปเกิดก่อนรู้ไปฉะนั้นที่ให้วันนี้คือให้อาจจะเป็น ให้เข้าใจว่าเรามาทําอะไรทําให้มันถูกสิ่งที่ไม่ต้องทํามันคืออะไรอย่างนี้สิ่งที่ไม่ต้องทําคืออารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ต้องไปทำมันมันเกิดขึ้นมาอยู่แล้วไม่ต้องไปเลือกเนี่ยความคิดเนี่ยไม่ต้องไปทํามันอารมณ์พอใจไม่พอใจก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันหรอกมันมาอยู่แล้วแหละส่วน อารมณ์ทางกายก็ไม่ต้องไปทำมันมันเกิดขึ้นมาเองแล้วทําหน้าที่ตัวโยคอทําให้ถูกถ้าทาถูกปุ๊เนี่ยมันจะไปไง่ายๆทําหน้าที่เนี่ยขึ้นมารู้สึกตัวที่มันรับรู้รับทราขึ้นรับรู้อารมณ์รับรู้เรื่องราวของตัวเองอยู่ที่ไหนเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งเกรงไว้เจ็บปวดอะไรที่มันมีอยู่แล้วทําหน้าที่ดูจอทีเฉยเ่ยมันจะไปยากอะไรจอมีอยู่แล้วสิ่งที่ปรากฏในจอก็มีอยู่แล้ว ทำหน้าที่ดูมันเฉยเฉยเนี่ยอย่าไปหลงไปกับมันเท่านั้นแหละแค่นี้ยฝึกตรงนี้ให้ดีๆทุกอย่างมีหมดแล้วแต่ทํายัางไงเราจะมีสติในกันลึกถึงได้บ่อยๆบ่อยๆทำนั่นเองจนจิตมันเสพคุณต้องการอย่างเดียวคือการเสพให้คุ้น ช, นนชนาานินให้คุ้นชินกับภาวะนี้ให้ได้ถ้าวันไหนคุ้นชินกับภาวะนี้ได้อย่าไปคุ้นชินกับภาวะคิด หรืออย่าไปคุ้นชินกับภาวะจัดการอารมณ์หรืออย่าไปคุ้นชินกับการไหลตามอารมณ์แต่คุ้นชินกับการเรียนรู้อารมณ์นะไม่เอาอะไรแต่เรียนรู้มันเรียนรู้ลักษณะของมันมันมีเยอะในราการในความเป็นไปต่างๆแต่ให้แนวทาง ว, ว่าว่าทําหน้าที่นี้เท่านั้นนะการเคลื่อนไหว14จังหวัดนี่ก็เป็นแค่อุ ป, ปกรณ์หนึ่งเท่านั้นเองนะอาจารมาเคยติมาจนกระท่า น, น หลายปีก็จะเข้าใจมาได้จะเป็นสิสิปีติดจนคิดว่าตัวเคลื่อนไหวนี่แหละคือตัวรู้สึกจนคิดว่าต้องรูท้ที่มือที่เทา้าต้องดูสิต้องสร้างจังหวะเมื่อไหร่ใการเป็นการปฏิบัติติดมาขนาดั้นนะถ้าไม่ได้สร้างจาังหวะไม่ได้จะอถือว่าไม่ได้ปฏิบัติแต่ถ้าได้สร้างจาังหวะเดินโยกงก็ไถือว่ปฏิบัติจนกระทัา่มาเข้าใจว่เข้าทําไมการสร้างจาังหวะเดือนโยกง มันจะทําไมมันมันพิเศษกว่าการเดินเข้าห้องน้ําทําไมพิเศษกว่าการตัดข้าวกินอ่ะถ้ามันก็เหมือนกันนี่ทาไมเราให้ค่ามันมันดีกว่ามันก็เลยบอกเาะนันเราได้สร้างผุภทานหลายอย่างไว้ใ น, นใจแล้วนี่คือการปฏิบัตินั่นคือการปฏิบัติแต่การปฏิบัติที่แ ท, ท้จริงคือเมื่อคุณตื่นขึ้นมารู้ตื่นจนตื่นรู้รู้ ตื่นจนตื่นรู้ขึ้นมาได้เมื่อไรนันะ่นนั่นศางนาคือภาวะที่เราภ า, าวนะาจริงๆอยู่ที่ตัวนั้นมาที่อยู่ที่ตรงนี้นี่คือเครื่องอุปกรณ์ในการฝึกหลอกล่อให้จิตหักหักมันเฉ่เฉยมันไปวันนี้นมันผานไปได้หรอไอเนี่ยมันตายอยู่บนโลกแบบนี้เท่านั้นแหละนะที่จะไปได้นู่นคือใจนะี่ใจตัวเที่มันรู้ตื่นจนตื่นรู้เนี่ย รารู้จนถะัามันสามารถที่จะลอกตัวเองจนจนหลุดจากอารมณ์ได้ดงนั้จนจังหวะที่เราภาวนาบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆใหม่ๆเลี้ยงตัวเองไม่เอาปัจจุบันให้ดีใครมีอะไรไหมที่อยากจะถามตรงนี้ขอเข้าใจโครงสร้างทีนี้มาทำอะไร เอาพสมอเสนอว่ามาฝึกรู้สึกตัวฝึกรู้สึกตัวจริงไหมตัวสอบให้ดีๆนะว่ามันใช่ไหมที่เรารู้สึกรู้ึกตัวนี่คืออะไรกันแน่ ใ, นให้มันชัดชัดเจนว่าอันนี้คือภาวะเนี้ยที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยอยู่กับเขาได้ไม่บ่อยเมื่อไหร่ผู้นั้นสบายแต่เบื้องต้นสัมผมันอยู่กับปัจจุบช่วง้ี่แน่คอประสมีเยอะแยะมากมายที่บ 5, วมห้าเยอะแยะ มีวอนห้าอินซีห้าจะมาช่วยกันเยอะแยะมากมายมีเวลาเราก็ค่อยทำไปแต่ตอนเนี้เรามาวันแรกหลายๆเรื่องที่เรามาน่อยูเนี่ยเราลามันละได้แต่ละใจจริงไหมกายอยู่นี่แต่ใจัวิ่งใจบ้านบ่อยกายอยู่นี่ใจไปที่ไหนไม่รู้ให้มันอยู่ด้วยกันให้หัดหัดกายนะหัดใจอย่ามาดูกายไปบ่อย มาดูจอไปบ่อยจะเห็นเองนะให้มันปรากฏก่อนถ้าจอมันว่างมาดูจอไช่เฉยให้หัดแบบนี้ไปบ่อยนะอันนี้เย็นนี้ก็จะให้ให้ขีดเป็นแนวทางช่วงเช้าอาจจะไปทุกข้อลองภาวนานแนะนําภาวนาแต่ละวันช่วงเย็นเป็นช่วงที่เราเรียนรู้ประสบการณ์จากครูบาอาจารย์ที่จะแนะนำภาวนามานะขอให้เราได้ทำ ม, มากว่าการได้ทำ ม, มากว่า มันจะทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจส่วนนึงฟังมากๆเนี่ยมันอาจจะทําให้ความคิดเราโตความเข้าใจเราโตแต่จิตใจเราอาจจะไม่โตนะเพราะเราหัดใช้ปรมัตารย์นำหน้าไม่ใช่ันใช้สมมุติเราต้องเข้าใจกันปฏิบัติให้ไดีว่าเราใช้เราฝึกกานเจริญโตมันคือฝึกตัวรู้จนถูกผลไม่ใช่ถูกปัญญาวรูคิดจนถูกผลแต่ภาวะเนี้ย อาจจะสมงผลก็ได้ฝึกตรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันใดมันไหนมันเข้าใจทุกมันดูดได้ด้วยควกคิดมากๆเข้ามากๆเข้าจนมันเข้าใจทุกมันเฉไม่ต้องอธิบายอีกมันก็ดูดได้แต่เรามาทางนี้เรามาทางนี้เพื่อสาให้ทำรู้สึกตัวพารู้สึกตัวให้เป็นรู้สึกซื่อๆกับปัจจุบันพิรักขณะพิรัขณะที่ไม่ต้องใช้ความคิดเลย อย่าดึงตัซึ้งตัวไม่ใช่การใช้การคิด น, นะแต่ใช้การประจับเนะข้าไปประจับกับมันเข้าไปพบกับมันเข้าไปเจอสิ่งที่มันมีอยู่ในเช่ น, นี้ก็ออกผมให้เขาคิดอย่างนี้นะขอให้พวกเราที่ตั้งใจมาแล้วจะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นจากการภ า, า, าวนาก้าวข้ามมันให้ไดนะ้อย่าไปยอมแพ้อยู่แค่นั้นอย่างก้าวข้ามมันให้ได้ ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้มีแต่เราที่ทำต้องใช้เลยนความเพียรความพยายามว่าเราทั้งหมดนี้ให้เข็งแข็งขึ้นและมีสภาในการชี้นำตัวเองให้พ้นไปจากความทุกข์หลายตั้งวงด้วยการตักทตั้งตั้งตั้เพือสาธุ